เม่ปีที่แล้วประเทศเกาหลีก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งอัตมาเห็นเห็นแล้วว่าน่าจะนำ ม, มาเล่าให้พวกญาติโยมฟังเป็นภาพของผัวเมียคู่หนึ่งนั่งยิ้มข้าง้ลดดกวยความผัวเมียนี่หน้าตาเะลอกบอกเบิกมีเลือดไหลด้วยเสื้อผ้าก็ยับเยินทั้งคู่ก็ถ่ายรูปร่วมกัน ก็สร้างกระแสในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากทัานมาเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกอดุมยิ้มไม่ได้คือสามีภรรยาคู่เนี้นั่งรถกลับบ้านด้วยกันระหว่างทางเนี่ยสามีก็ขับรถพลาดไงไปชนต้นไม้จนรถคว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยตะเกียกตะกายออกจากรถแล้วนะภรรยาก็เอ่ยปากกับสามีให้มาถ่ายรูปเป็นเที่ยวลึกร่วมกันแล้ทั้งคู่ก็ถ่ายรูป หลังจากภาพนี้เผยแพร่นในโลกโซเชียลก็มีกระแสมีคนมาถามภรรยาว่าทําไมถึงถ่ายรูปมีกระจายถ่ายรูปภรรยาก็เอ่ยขึ้นว่าโชคดีที่ยังไม่ตายจึงเก็บภาพไว้เป็นที่ลึกคือคนก็สงสัยว่าทําไมภรรยาถึงไม่ทะเลาะ ก, กับสามีภรรยาก็บอกว่าไม่รู้จะทะเลาะไปทําไม ว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วจะไม่ให้อารมณ์มาทําลายชีวิตคู่เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าคนเรายามที่ประสบทุก์เนี่ยประสบปัญหาแล้วก็ยังสามารถยิ้มได้ไม่จำเป็นต้องทุกข์กับเหตุการณ์นั้นการที่จะไปหาหมอถ้าเป็นคนเป็นคนทั่วไปจะต้องรีบไปหาหมอดีเลยหรือแม้กระทั่งทะเละกับ ส, สามีิแหละขับรถซุ่มซ่ามทําให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ภรรยานี่เขาไม่ทําก็เลือกที่จะถ่ายรูกปกเที่ยนลึกเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกเข้าท่าเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดอ่างทองชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มฟาร์มไก่ชนคือไก่ชนของของชายคนเนี้ถูกหมาสองตัวรอดตะไคร้ที่กันกันฟาร์มเนี่ย ขว า, ากัดไก่ตายไปสาสิี่ตัวไก่ก็มีอายุประมาณห้าหรือหกเดือนน่ะและเป็นไก่ชนด้วยความเสียหายก็ประมาณสามสี่หมืน่นเจ้าของไก่เนี่ยเครียดเลยจุก อ, อกจนพูดไม่ออกแต่แล้วแกก็ใช้วิธีที่เราคาดไม่ถึงคือแทนที่จะไปเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของหมาท่านแกลกับนำไก่เนี่ยเอาไปต้มยำ แล้วก็แจกชาวบ้านแถวๆนั้นแหละถือว่าเป็นการทาร บ, บุญให้ไก่ไปด้วยแล้วเขาไม่เอ า, เ, อาเรื่องกเจ้าของหมาเพราะว่าเห็นว่าไม่อยากทำลายความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านไงเพราะไก่ก็ตายไปแล้วไม่สามารถฟรื้นชีวิตขึ้นมาได้มิจภาพก็ยังเหมือนเดิมเจ้าของหมาก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่เจ้าของไก่ไม่เอาเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นที่ภูหลงเมื่อหลายปีก่อน ที่ผู้หลงมีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าสังเหนี่ยมเป็นหมาพันโกลเด้นตัวผู้รูปลอแล้วก็อารมณ์ดีนะได้ถ่ายรูป ก, กับอาจารย์ภัยสารหรือเป็นหมารับแขกที่ใครไปผูหลงก็จะเจอเจ้าสังเหนี่ยมเจะ อ, อมาทักทายวิ่งวิ่งเข้ามาเล่นด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยทำอีท่าไหนก็ ร, รู้เจ้าเหนี่ยมเนี่ยไปกัดไก่ของชาวบ้านตายประมาณสี่สิบตัวมั้ง อาจะอจะขาดเกินนิดหน่อยทีนี้เจ้าของหมาเจ้าของไก่เนี่ยก็จะเอาเรื่องเลทีนี้ถ้าเจ้าเงี่ยมอยู่เนี่ยจะฆ่าให้ตายจนทําให้ทางผูหลงเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องอภิหิเจ้าเหยียบออกจากวัดไปเจ้าเงี่ยมก็ไปอยู่กุญ ง, งเนี่ยตอนหละอาตมาวิธบา่าก็เจอพอตอนหลังนี่ก็ย้ายไปบ้านตาหลินทองแหละอันนี้เป็นเรื่องของหมากัดไก่ครั้งนึงก็หลงพิชาง เมื่อก่อแกอยู่วัดภูเขาทองนะแกก็นำหมามาร่วมงานเนรด้วยเพราะหลวงพิชางเป็นพี่เลี้ยงเนร์ไงหมาแกชื่อบุงบ้งมิงเป็นหมาลูกหลอกตัวผู้จะบุ้งมิงเนี่ยไปกัดเป็ดของชาวบ้านนี่แหละหมู่บ้านใหม่นี่แหละตายไปตัวหนึ่งบ้งเจ้าของเขาก็ไม่ให้หลวงพิชางชดใช้หลวงพิช้างก็เสียไปห้าร้อยแล้วมีมีอีกหลายหลายรายก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ พวกหมากัดไก่กัดเป็ดเนี่ยแล้วเจ้าของต้เสียตังค์ให้ค่าทำฝันเจ้าของหมาเนี่ก็เครียดเหมือนกันนะอยู่ๆหมาทำให้เสียตังค์แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผู้เสียหายอ่ะถ้าทำใจได้แบบชายที่อ่างทองก็ดีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแทนที่จะเสียหายจากจากไก่ตายเนี่ย ก็ทำให้ไก่เนี่ยมีประโยชน์นะเป็นอาหารของคนอื่นแล้วแล้วกลายเป็นผู้มิสัมพันธ์ด้วยเรื่องล้ายกลายเป็นเรื่องดีไปคนเราทุกข์เพราะความคิดบางทีก็ทุกข์เพราะคิดแทนคนอื่นอย่างมีนิทิชาเซนอยู่เรื่องหนึ่งวันหนึ่งอาจารย์เซนได้เดินทุดงค์ไปจริยธรรมเนี่ยก็รับนิมนต์ไปบ้านหญิงชลาคนหนึ่งหญิงชลาคนนี้ก็หน้าตาอมทุกข์ พิ่งร้องไห้อาจารย์เซียนก็ถามพยมเป็นไงมีอะไรเสียออกเสียใจหรือถึงร้องไห้แกก็เล่าให้ฟังว่ามีลูกสาวอยู่สองคนคนหนึงแต่งงานมาอยู่กับพ่อค้าขายรองเท้าผ้าลูกสาวอีกคนนึงลูกสาวคนเล็ ก, น เ, ลกเนี่ยแต่งงานมาอยู่กับพ่อค้าขายล่มทุกวันเวลาแดดออกเนี่ย แกก็จะรู้สึกเสียใจเพราะว่ากลัวว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยจะขายร่มไม่ได้ไงแล้ววันไหนที่ฟ้าคืมฝนตกเนี่ยแกกะทุกอีกเสียใจอีกกลัวว่าลูกสาวคนโตเนี่ยจะขายรองเท้าผ้าไม่ได้สรุปแล้วแกก็เสียใจทุกวันแหละเพราะเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกคือเป็นห่วงลูกสาวอาจารย์เซนก็บอกโยมคิดอยางนั้นไม่ถูกนะ หญิงชราบอกแม่เนี่ยบิดโกวนถึงลูกไม่ถูกต้องยังไงถึงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้จาเซนก็เอ่ยขึ้นว่าโยมคิดไปทางทุกข์ไม่ถูกควรคิดในทางเบิกบานใจดีกว่าอย่างเช่นเวลาที่แดดออกเนี่ยโยมก็คิดถึงลูกสาวคนโตว่าคนต้องมาซื้อรองเท้าผ้า และคงขายดีวันไหนที่ฝนตกโยมก็คิดถึงลูกสาวคนเล็กวาโลงคงขายดีแน่ถ้าคิดแบบนี้มีความสุขกว่าจริงเชลาก็เห็นด้วยกับความคิดนี้พอตอนหลังเนี่ยแกก็มีความสุขทุกวันเลยไม่ว่นฝนจะตกแดดจะออกก็แฮปปี้ทุกวันเพราะการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแต่วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดได้บางทีก็าใส่คนชีแนะเหมือนกันนะ บางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันเมื่อคู่เราก็ได้สวดบนอภิธาปัจเวกบทนี้ก็ให้เราเห็นกวามทุกข์ต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเมื่อจะเป็นความแก่ความเจ็บป่วยความตายความพักพากจากของรักของชอบใจมีกรรมไปของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราพิจาราบ่อยๆเนี่ย เราเห็นได้เลยว่าโอ้ชีวิตเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงเล ย, ยเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาความแก่เนี่ยบางคนเขาไม่ยอมรับนะไปทุกข์กับความแก่เดี๋ยวผมก็งอกตาก็ฝ้าฟางหูก็ไม่ค่อยดีความจำก็เริ่มเสื่อมแรงก็ไม่อขอจะมีต่างกับคนหนุ่มสาวซึ่งมีพลังมากมายคนแก่เดินก็ย่องกระแยว่ง ไนเมื่อไหนก็ลําบากถ้าคิดถึงความแก่บางทีคิดไม่เป็นก็ทุกข์แต่ถ้าคิดเป็นเราก็เห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาเรายอมรับความแก่บางทีเราผมงอกเราไม่ยอมเป็นต้องย้อมผมหรือไปทําหน้าใหม่เพราะการทำอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าถึงเราทําหน้าใหม่ได้แต่ร่างกายเราก็สังขารข้างในเครื่องหนเราพระก็เสื่อมไปตามกาลเวลาไม่สามารถเปลี่ยนได้ไงสู้ยอมรับดีกว่า แล้วก็สามารถเป็นคนแก่ที่มีความสุขได้พออายุมากเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทําไปได้งไงแบบนี้เราก็จะมองเห็นไงมีประสบการณ์ว่าทําอย่างนี้แล้วทุกข์นะถ้าทำอย่างนี้เป็นความสุขนะเพราประสบการณ์คนแก่เนี่ยจะมากกว่าคนหนุ่มสาวคือผ่านชีวิตมามากกว่างไงรู้ว่าจะทําตัวยังไงถึงจะปล่อยวางหรือมีความสุขได้แล้วความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยนี่หรือบาดเหตุต่างๆเนี่ย มันก็เหนือการควบคุมของเรานะวันนี้เราอาจจะแข็งแรงสุขภาพดีแต่วันต่อไปไม่แน่อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเมื่ออาจจะลื่นล้มหัวลรางข้างแตกพิโกงพิการก็ได้หรือหรือติดต่อโรควางอย่างอย่างโควิดอันนี้ติดง่ายมากเลยหรือโรคอย่างอื่นที่สะสมมานานก็อาจจเจ็บป่วยแต่ถ้าเรายอมรับความเจ็บป่วย ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็รักษาไปตามเรื่องถ้าหายก็ดีไปไม่หายตายก็ไม่เป็นไรยอมรับเมื่อหลายปีก่อนมาไปจำพรรษาที่บูหลงนะก็มีพระใหม่อยู่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะว่าเขาเนี่ยดูแลภรรยาที่เป็นมะเ ร, งร็งระยะสุดท้ายเนี่ยจนภรรยาเสียชีวิตนะขนาดที่ดูภรรยาเนี่ยแกก็ตั้งใจดูมากเลย วันไหนถ้าภรรยาอุจจาระไม่ออกเนี่ยแกก็จะทุกข์วันไหนภรรยาเนี่ยอุจจาระได้เนี่ยแกที่มีความสุขนะเพราะคนป่วยบางทีก็ขับถ่ายผิดปกติไงแล้วแกก็จะทําความสะอาดคอยอาบน้ําถูตัวแล้วก็ดูแลเรื่องอุจจาระปสัสสาวะของภรรยาไงอันนี้เขาอยู่ด้วยความรักนะไม่ได้อยู่ด้วยความไข้อันนี้คือรักแท้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งใจ อา จ, จารย์เบสานได้ฟังก็นํำไปพูดธรรมะให้แง่คิดกับคนมากมายเลยถึงความรักความเสียสละการดูแลเอาใจาใส่กันจนตายจา ก, กไปข้างหนึ่งต่อมาก็ความตายความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บางทีวันนี้เราดีๆอยู่สู่ภาพแข็งแรงสายๆอย่าตายก็ได้บ่ายเย็นอะไรเงี้ยไม่แน่นอนเลยความตาย คือ ต, ตัวมาเคยเห็นคนเนี่ยมาคุยกับมาสักพักหนึ่งเดินไปเดินไปบนถนนก็ดโดนรถชนตายแล้วเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยความตายบระมาทไม่ได้เลยนะบางทีร้องเตรียมพร้อมนอนรับฟันตายเพราะถ้าเราอยอมรับฟัมตายเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทมีการเตรียมตัวตายทําคนไม่ยอมรับฟังตายเนี่ยก็จะประมาทในชีวิตแล้วเวลาตายก็จะไปห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงภรรยา หวงของที่ตัวเองรักไงจิตก็เป็นการเกาะเกี่ยวคือไม่ยอมวางคือถ้าเราเตรียมตัวตัว้งเน่เนื่องเนี่ยความตายมาจริงเราก็ยอมรับได้ก็สามารถตายดีได้แล้วความพัดภาจากของรักขอรับใจเนี่ยก็มีอยู่ทุกคนแหะของทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงคนเราจะรักของไม่เหมือนกันนะบางคนก็รักมือถือบางคนรักต้นไม้บางคนก็รัก รถแรักอะไรที่ตัวเองชอบอะของเรานี่ไม่เที่ยงหรอกหรือบ้านบางทีก็เกิดไฟไหม้หรือบางครั้งก็เกิดอุทธกภัยตามธรรมชาติทําให้เกิดความเสียหายบ้านบางหลังก็ถล่มลงมาเองทางก็มีไฟไหม้บางทีก็หล่นต้นไม้ล้มทับมั้นของรักของเราเนี่ยบางทีก็เหมือนกับยืมใช้ชั่วคราวแหละถึงเวลาเสียเราก็ต้องทําใจได้ แล้ไม่ทุกข์กับมันถ้าเราทุกข์กับสิ่งของต่างๆเนี่ยเราหาความสุกข์ยากแล้วเราก็มีกรรมเในของตัวเองบางทีเราทําความดีเราก็ได้ดีทําไม่ดีเราก็ได้ไม่ดีทําความดีผลก็คือมีความสุขแล้วเรก็เรา่าหมั่นทำบุญทําบุญส่วไว้ทําความดีไว้ไก่อนความชั่วก็อย่าไปทําก็ทําแล้วเราก็รับวิบากราับความทุกข์จากการกรมธรรนั้นๆวันดนะีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าเราเป็นมิตรกับ อนิจจังทุกขงังนาตาถ้าเราไม่ยอมเป็นมิตรกับอนิจจังเนี่ยวันแย่ๆเกิดขึ้นกับเรามากมายเหลือเกินปีหนึ่งมี3ามหกส้าวันบางคนก็มีความสุขกับจุดจีนปีใหม่หรือวันวนเนาเลนไทน์หรือสงการถ้าเป็นฝรั่งก็มีความสุขกับวันชิดมากแต่เราก็ลืมไปว่า ลามรอห้าวันเนี่ยมันมีวันแบบนี้ไม่กี่วันหรอกบ้างก็สุขกับงานบันเกิดบางคนจัดงานบันเกิดซะใหญ่โตเลยแต่ที่เดียวกันใกล้ๆบ้างก็จัดงานศพ บ, บางที่ก็จัดงานแต่งงานบางคนก็ไปอยู่โรงพยาบาลซึ่งวันดีของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะอภิ จ, จังเนี่ยเราอยู่วันแย่ๆ ก็เป็นบาริของเราได้เหมือนกันมีมีพยาบาลอยู่คนหนึ่งถึงวันเกิดเนี่ยก็อยากมาทำบุญแต่เพอเออ์เนี่ยนอนดึกก็ทำให้ตื่นสายมาใส่พระบิณฑบาตเนี่ยพระก็หายหมดแล้วไม่มีเตรียมพวกชุดสังฆทานมาสายตาก็เหลือไปเห็นเนนบทใหม่อยู่รูปหนึ่งจึงที่บนเดนมาใส่บาตรและถวายสังฆทาน หลังจากถวายของแล้วก็ขอให้เนรให้พรว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโยมเนรก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นในบทใหม่เพิ่งบวชได้สามวันยังให้พรไม่เป็นไงจึงบอกโยมไปอย่างนั้นพยาบาลบอกเนรวันนี้เป็นวันมงคลวันเกิดของโยมเ น, ยเนี่ยจะให้พรแบบไหนก็ได้ให้พรเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เนนถนัด ยังไงก็ได้พราะีวันดีเนรก็ทำหน้าตาเลกลักอยู่พักหนึ่งคิดมาได้จึงให้พรว่า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you อันนี้ก็แฮปปี้ทั้งพยาบาลแล้วก็เนรมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ตรงท้ามกับเรื่องเมื่อกี้นะปีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโต ใครๆเรียกว่าคุณนายโตแกก็จัดงานวันเกิดครบรอบห้าสิบปีที่บ้านโดยนิมนต์พระครูที่มักคุ้นกันเนี่ยเพราะแกใส่าบาตรพระครูอยู่เป็นประจำทุกวันคุณนายโตเป็นคนที่ใจบุสุษทานแต่ก็เป็นคนที่ขี้บน่นขี้โมโห อ, อธิบายตัวเองไงผัวแกเป็นนายตำรวจ หลังจากพระมาฉันเพลที่บ้านเนี่ยแกก็ทักทายกันกับพระครูแต่ภาษาคนมากคุ้นไงหลังจากพระสวดมนต์เสร็จแล้วให้พรเนี่ยพระครูก็ให้พรยัถ า, าวรีวหาปูราปริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอีโตทินังเมตานังอุปกาปฏิ พระครูเน่ยเอื่อเอื่อนคําว่าอิโตนานไปหน่อยคือขัดความต่อเรื่องไงคุณนายโตพอได้ยินว่าอิโตถินนางเนี่ยก็เก๋าก็เฟี้ยงของเลยโมโหมากแล้วก็ตะโกนด่าพระครูว่าพระครูทํางี้ได้ไงไม่ให้เกียร์กันเลยเมื่อกี้ยังคุยกับฉันว่าเรียกคุณนายคุณนายอยู่แล้วนี่มาเรียกอิโตได้ไงทํางี้ไม่ถูกนะพระครูอธิบายยัง ไ, ไงคุณนายก็ไม่คุณนายโตก็ไม่ยอมฟังบอกนี้เลิกคบแล้ว และนับตัเ้เแต่มาแกไม่ยอมใส่บาตรให้พระครูอีกเลยคันถึงปีสอบ ม, มาแกก็จัดงานวันเกิดเหมือนเดิมแต่ทีนี้ไม่ยอมนิมนต์พระครูละไปนิมนต์เจ้าคุณที่อยู่อีกที่หนึ่งก็ห่างไกลพอสมควรเจ้าคุณก็มาคมาถึงก็ทักทายตามภาษาตามบรรยาสังคมเป็นไงคุณนายสบายดีไหม แล้วทำไมอ่ะไม่ยมนถ้าครูใ ก, กล้ๆบ้านคุณนายก็ได่ให้ฟังเรื่องแบบมาเรียกคุณมาเรียกอีโตเนี่ยแกก็เลยโกรธเจ้าคุณก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคันถึงเวลาให้พรเจ้าคุณก็พยัญชก็ยัตาวรีวาปูลาปาริปุเรนติสาคาลังเอวเมวะคุณนายโตทินลังคุณนายโตได้ตบมือชอบใจนี่มันต้องอย่างนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะไม่ใช่เรื่องจริงนำ ม, มาเล่าให้พวกโยงฟังเพื่อถือว่าการบาฟังธรรมในบางทีมันก็จะมีเรื่องเบาเบามั่งเพราะว่ารายการของธรรมาเนี่ยเป็นธรรมมเก็บตกรับบารุณไงเรื่องหนักๆให้คนอื่นพูดก็แล้อย่างอย่างขยั่งนิพพานขยั่งอนัตตาก็ไปฟังคนอื่นขยั่งมีสติหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออารมาถือว่าวันพระรหัสจะเปน็นเราเบาวันสบายสบายจึงพูดด้วยเหม่นคนอื่นเันวันดีจึงเกิดได้ทุกวัน อยู่ที่มุมมองและท่านาติของเจ้าของหลวมปูนที่ได้ทานบอกว่าถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาเรายิ้มยิ้มรับวันใหม่ด้วยใจเบิกบานเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะเราก็มีความสุขถ้าเรายิ้มคนอื่นก็มีความสุขจากการยิ้มของเราด้วยนะเห็นหน้าเรายิ้มเขาก็อยากเข้าใกล้หรือคุยก็ก็แบบสบายใจแต่ถ้าเราหน้าบึ้งเครียดคนก็ไม่อยากคุยด้วย เขไม่รู้ว่าเราอารมณ์เป็นยังไงไงแต่ถ้าเราอารมณ์ดีน่ะเออใครก็อยากมาคุยเล่นคุยอะไรคือถ้าเราให้เรามีความสุขแล้วแบ่งปันความสุขคนอื่นได้เนี่ยมันก็ดีอย่างเมื่อเจอหมาเป็นแมวเนี่ยถ้าเราไปเล่นกับเขาเขาก็มาเล่นกับเราไปอุ้มไปรูปหัวหรือแม้แต่สัตว์อื่นๆหรือ คนที่ทุกข์เนี่ยมาคุยกับเราเนี่ยเราก็ให้แง่คิดเขาได้ให้กําลังใจได้ให้กําลังจใงจให้เขาเนี่ยอย่างคนอกหักเราก็พูดด้วยเขาแบบสบายใจไม่คิดสซานคาตัวตายหรือคนที่สูญเสียอะไรต่างผิดหวังไม่อยู่กําลังยายสู้ชีวิตเนี่ยเราก็สามารถพูดด้วยเขาเนี่ยมีกระลายสู้ชีวิตได้ธรรมะเนี่ยบางทีถ้าพูดเป็น หรือใช้ถูกการเทศนาเนี่ยก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไม่เป็นพมเพื่อก็เกิดโทษเหมือนกันกลายเป็นสอนเพื่อนสอนคนอื่นทางขึ้นตัวเองก็ทําไม่ได้เงี้ยกลายเป็นความบาดหมางเกิดขึ้นเลยเพราะตัวมาเจอมาแล้วหเหตุการณ์แบบพวกนี้บางทีมีประสบการณ์โดยตรงนการแต่แงทำบางครั้งก็ต้องดูการเทศะดูเหตุการณ์ดูโยมด้วย ถ้าเรากรมนำตาแสดงเนี่ยบางทีก็เจตน า, ากลายเป็นสอนเขาซึ่งคนทุกคนไม่อยากถูกสอนหรอกยกเว้นเขาจะเอ่ยปากถามการสอนจริงหลายคุณค่าถ้าสอนพีกาเสีสะและสอนในเรื่องที่เขาไม่ต้องการอย่างเงี้ยบางทีการพูดให้กำลังใจยังมีประโยชน์กว่าให้กำลังใจใเขาเนี่ยสู้ชีวิตคนเราจะมีความสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดนะ ถ้าเราคิดทางลบทางร้ายเนี่ยโลกก็ไม่น่าอยู่โลกก็ไปเป็นตามความคิดของเราแต่เราคิดทางบวกมองโลกในแง่ดีเรามีความสุขไปด้วยคือเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทนัศนคติทุกคนไม่มีใครเลวหมดนะจะมีมีด้านดีมากทุกคนแหละด้านดีด้านไม่ดีก็มีทุกคนนะจะมีมากมีน้อยถ้าเราไปมองด้านดีของเขาเนี่ยเราก็มีความสุข ถ้ามองด้านแย่นี่ก็โอ้โหเพ่งโทษนะเนี่ยพอเพ่งโทษเราก็บกมีคติเอาเขาขาดความเมตตาที่คนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีต้องมีเมตตาเมตตาต่อ ก, กันนะมีการเมตตาต่อ ก, กันไม่ถือสาหาความกันมีเรื่องขัดใจกันบ้างก็ให้อภยัยอันนี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่จะเป็นครอบครัวชุมชนหมู่บ้านหรือแม้แต่วัดเนี่ยถ้าเกิดเราเรามีการแบบให้อภัยซึ่งกันและกัน เมตตาซึ่กันแล้วกันเนี่ยก็สุขกถ้วนหน้าเลยอันนี้วันนี้ก็ถือว่าวันเกิดอาตมานะอามาก็จะพูดเรื่องวันดีเพราะวันเกิดคนทั่วไปก็จะไปเลี้ยงฉลองกันเมาแต่เราเป็นพระวันเกิดเราก็จืดชื่อแต่แหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ชินแล้ววันเกิดวันปีใหม่วันจุดจีนวันสงการกับพระนี่ไม่ถือเป็นวันดีนะเพราะว่าพระไปไหนก็ลาบากจะโยมสนุก นพระถ้าเป็นวันดีคือวันที่โยมเขาไม่ไปเที่ยวกันแหละโยมน้อยน้อยรถเดินทางสะดวกถนนโล่งเนี่ยวันดีแล้วันดีของพระกับโยมจะต่างกันนะเพราะบางทีไปสุขสนานขาดสติกินเหล้าวันดีก็เป็นวันอับโมบคลได้บางทีทะเลาะการฆ่าตายก็มีที่เราเห็นข่าวบ่อยๆส่วนมากมาจากวันเกิดหรือวันมงคลเท่านั้นแหละแต่วันวันวันที่ไม่ดีวันแย่เราก็เอามาเป็นผสมประการณ์เป็นธรรมะได้นะ เปลี่ยนาันาแย่้เป็นวันดีเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสนะพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริยธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง